แล้วก็ท่านเรียกว่าโลกสุคติโลกสวรรค์คำว่าโลกอันนั้นเนี่ยแปลว่าเป็นที่เห็นผลของบุญอันโอฬานแต่ที่จริงคําว่าโลกถ้าสัตวะโลกเนี่ยนะเป็นที่ดูคนทําบุญทำบาปและก็ดูผลแห่งบุญแห่งบาปแต่ว่าไอ้โลกในในิยะแห่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงโลกเป็นที่ดูผลแห่งบุญอันโอฬานใช่ไหมเพราะว่ามหากุศลที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลเนี่ยนะ เป็นเหตุให้เห็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อนะเจตนาก็าเป็นศีลเจตสิกก็เป็นศีลสังวรกว็เป็นศีลอวีติกามากกว่าเป็นศีลศีลอันนี้จะมีผลดีขนาดนี้เลยนะโอ้รักษาใจไว้เถอะศีลอยู่ที่ใจเรานีา่ยแหละทํายังไงให้มันมีในใจบ่อยๆใจมีแต่ว่าศีลมันไม่ค่อยเกิดอย่างนี้ทําไงสมาทานเน่ยนะใครใครขยันสมาทานหน่อยปราลบ่อยๆเอามาคิดมากๆอันนั้นแหละศีลก็จะเกิดได้บ่อยเกิดได้มาก วันหนึ่งก็ไม่เคยคําว่าศีลยังไม่คิดถึงเล ย, ยงไงก็แสดงว่าโอ้หนักหนาสาหัสเหมือนกัน <c oughs> ขณะคําว่าศีนยังไม่นึกเลยนะแล้วความหมายของศีนจะเป็นนึกได้อย่างา <c oughs> ไรนี้กล่าวถึงอ น, นิสงส์ของศีนอีกต่อไปนะว่า ย, ยังมีอ น, นิสงส์แห่งศีนแม้อื่นอีกเป็นอเนกอมีความเป็นที่รักที่ชอบใจเป็นต้น มีความเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสาวะเป็นที่สุดซึ่งได้ตรัสไว้โดยนัยยะว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าหากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารย์ทั้งหลายก็ขอภิกษุพึงเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเถอดังนี้เป็นต้นอ่ะนะ เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ยกถึงข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตอากังเขยสูตร น, นจะบับเราเล่มที่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นข้อความอันนี้นยจะอ น, นิสงส์ของศีลข้อนี้จะยกข้อความเต็มในอากังเขยสูตรมาอ่านให้ฟังนะให้เห็นว่าเออศีลเนี่ยมีประโยชน์จริงๆข้อความในอากังเขยสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาต นะสูตรที่6แห่งมูลปริยยววกข้อ73เป็นต้นไปนะกล่าวถึงอั น, นิสงส์ของศีลแต่ว่าศีลอันนี้ก็มุ่งไปที่พระภิกษุนะของเราก็ฟังแล้วก็ประยุกมาได้ข้อความในอากังเคยสูตรกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกเศรษฐีกรุงสาวัตถี ครังนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายมาว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายภิสูจเหล่านั้นทูลรับพระดํารัสพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์เนี่ยนะคือมีศีลเป็นที่รองรับมีศีลที่พรั่งพรอ้อม น, นะ เป็นศีลที่ปราศจากโทษว่า ง, งั้นเถอะเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์มีปาฏิโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิดจงเป็นผู้สํารวมด้วยความสํารวมในปาฏิโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภายในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยสมทานศึกษาในศิคาบททั้งหลายเถิดว่า ง, งั้นเถอะข้อความอันนี้เราจะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งอ่นนะในในศีลหมวดสี่ ศี น, น, น, นหมวดสีกล่าวถึงจาตุปาริสุที่ศีลมีปาติโมกขสังบรนเป็นต้นจะอธิบายตรงนั้นแต่ละคำแต่ละคำโดยละเอียดพอสมควรพระองค์ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าขอเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายเถิดดังนี้ ภิกษุนั้นควรทาให้บริบูรณ์ในศีลคือจตุ ป, ปริสุทธิศีลเนี่ยนะประกอบธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตของตนไม่ทำชานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนในการอยู่สุญยาคารว่างั้นอันนี้ก็กล่าวถึงอ น, นิสงข์ของศีล ข, ข้อที่หนึ่งนะว่าเราเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจัรย์ทั้งหลาย ก็บอกว่าถ้าหากว่าหวังอย่างนี้นะก็ขอให้ตั้งอยู่ในศีล น, นะทำศีลให้บริบูรณ์ประกอบด้วยธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตไม่ทำชาญให้เหินห่างคือสมถะประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนในสุญญากาศาง้าข้อความอันนี้อัตกถาเนี่ยท่านอธิบายดีนั่นคือจะอ่าน ความหวังอย่างที่หนึ่งที่สองเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าหวังคุณธรรมทั้งหลายนับตั้งแต่ความเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจันทร์นี่ก็ขอให้มีมีศีลเป็นต้นเนี่ยนะความหวังมีสิบเจ็ดหัวข้อว่างั้นเถอะความหวังสิบเจ็ดอย่างจะบริบูรณ์ได้เพราะมีศีลเป็นต้นไปก็จะอธิบายความหวังแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นต้นไปทีนี้ข้อความใน อัตถกาถาปปัญจะสูทนีมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตอัตถกถาอากังขยสูตรกล่าวว่าปดว่าสีลังความว่าชื่อว่าศีลเพราะอัดว่าชื่อว่าศีลเป็นที่รองรับนะนะตรงนี้อธิบายเหมือนกันเลยคือศีลเนี่ยเป็นที่รองรับรองรับอะไรรองรับกุศลธรรมชั้นสูงนั่นเองก็บอกว่าข้อความได้กล่าวไว้ในประการวิเศษชื่อว่าวิสุทธิมักมอ้างเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นเรียนวิสุทธิมักเท่ากับเรียนอัตถกถานั้นด้วย แม้ในปรกรณ์วิเศษชื่อว่าวิสุทธิมักนั้นด้วยอัถว่าปริปุณณศีลานี้เป็นอันได้กล่าวความบริบูรณ์ของศีลไว้เพราะปราศจากโทษของศีลเหมือนท่านกล่าวความบริบูรณ์ของนาไว้เพราะปราศจากโทษของนาเช่นั้นนะทานามานานเคยรู้อยากโทษของนาไมหมว่างั้นเขบอกว่าเหมือนอย่างว่านาที่ประกอบด้วยโทษสี่อย่างโทษของนามีสี่อย่างคือหนึ่งพืชเสีย สองการหวานไม่ดีสามน้ำไม่ดีสี่ดินไม่ดีย่อมเป็นนาที่บริบูรณ์ไม่ได้อธิบายว่าบรรดาโทษสี่อย่างคือพืชที่หักหรือเน่าในระหว่างในระหว่างมีอยู่ในนาใดนานั้นชื่อว่ามีพืชเสียคือพวกมแมลงเป็นต้นมันลงมากะนะทำให้ข้าวกล้าเสียหายอันนี้ก็นับว่านาไม่ดีนาที่มีพืชเสีย ชนทั้งหลายหวานพืชเหล่านั้นลงในนาใดข้าวกล้าย่อมไม่งอกขึ้นในนานั้นนานั้นก็จัดว่าเป็นนานที่เสียหวานแล้วไม่งอกกันนะนานี้ใช้ไม่ได้ชาวนาผู้ไม่ฉลาดเมื่อหวานพืชย่อมหวานให้ตกเป็นย่อมย่อมในนาใดนานั้นชื่อว่าการหวานเสียเพราะเมื่อหวานอย่างนี้ข้าวกล้าย่อมไม่งอกขึ้นทั่วทุกแห่งที่นาก็จัดว่าเป็นนาเสียะในนาลางแห่ง คือนาบางแห่งมีน้ําเกินไปหรือไม่มีน้ําเลยนานั่นก็ชื่อว่านาขาดน้ําเพราะว่ากล้าจะไม่งอกขึ้นในนานั้นนานั้นก็จัดว่าเป็นนาที่เสียในบางท้องถิ่นชาวนาเนี่ยนะไถนะเอาไถเนี่ยไถพื้นที่ถึงสี่หครั้งให้พื้นที่ลึกเกินไปคือไถดินเนี่ยลึกเกินไปต่อแต่นั้นดินก็จะเกิดเค็มนานั้นก็จัดว่าเป็นนามีดินเสียเพราะว่า ในานาที่เสียนั้นเข้ากล้าย่อมไม่งอกขึ้นนานั้นก็จัดว่าเป็นนาที่เสียและนาเช่นนั้นจะไม่มีผลผลิตมากเพราะว่าแม้ในานานั้นถึงจะวานพืชลงไปมากก็จะได้รับผลน้อยแต่ว่านาที่จัดว่าเป็นานาบริบูรณ์เพราะปราศจากโทษเสียอย่างเหล่านี้และนาเช่นนั้นจัดว่าเป็นานาที่มีผลมากฉันใดนะเป็นานาที่ให้ผลผลิตได้เยอะเนะ ศีลซึ่งประกอบด้วยโทษสี่อย่างนะคือศีลขาดหนึ่งศีลทะลุหนึ่งศีลด่างหนึ่งศีลพร้อยหนึ่งจัดเป็นศีลที่บริบูรณ์ไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกันนะศีลที่ขาดขาดก็คือขาดในระหว่างในระหว่างทะลุด่างพร้อยเป็นต้นนะนะพวกศีลอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงมากเป็นศีลที่ไม่บริบูรณ์และศีลเช่นนั้นเป็นศีลที่หาพลานิสงมากไม่ได้ คือไม่มีกําไรเยอะเหล่านั้นเด้อแต่ศีลจะจัดว่าเป็นศีลที่บริบูรณ์ได้ก็เพราะปราศจากโทษ4อย่างเหล่านั้นคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยก็ศีลเช่นนั้นว่าจัดว่าเป็นศีลที่มีผลมากมีอนิสงส์มากมีกําไรเยอะเขาบอกว่าสัมปนศีลาเนี่ยนะมีศีลถึงพร้อมหรือถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยเขาบอกว่าความเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมได้ด้วยเหตุ2อย่าง คนจะมีศีลได้เนี่ยเหตุ2อย่างนะถ้าไม่มีเหตุสองอย่างนี้ศีลไม่มีไม่ศีลจะมีบริบูรณ์ศีลจะถึงพร้อมไม่ได้2อย่างก็คือเพราะเห็นโทษในการวิบัติแห่งศีลก่อนคือว่าถ้าศีลเสียหายแล้วนะถ้าผิดศีลแล้วเนี่ยโทษอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็เป็นเหตุอย่างที่หนึ่งที่ทําให้มีศีลเหตุข้อที่2ก็คือเห็นอนิสงของการถึงพร้อมแห่งศีลนะซึ่งเราจะได้เรียนใช่ไหมถ้าหากว่าไม่มีศีลแล้วมีโทษอย่างไร จะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าเฉพาะตอนนี้กล่าวถึงอ น, นิสงค์ของศีลอยู่ใช่ไหมถ้าหากว่ารักษาศีลและจะมีอ น, นิสงค์อย่างไร <c oughs> ปาติโมกนั้นมีความสําคัญอย่างหนึ่งนะเฉพาะข้อความตรงนี้ท่านกล่าวว่าว่าโดยตรงปาติโมกขสังวรเท่านั้นชื่อว่าศีลปา์ติโมกขสังวรศีลนั้นของผู้ใด ขาดแล้วผู้นั้นใครๆไม่ควรกล่าวว่าผู้นี้จกรักษาศีลที่เหลือไว้ได้นะเขาบอกว่าถ้าไม่มีปาติโมกขและศีลที่เหลือไม่เหลือแล้วละ่ะเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีศีรษะขาดแล้วก็ไม่อาจที่จะรักษามือและเท้าวไว้ได้ฉะนั้นหัวหลุดแล้วนะไม่ต้องผนอมมือแล้วเนาะกระขานหัวยังรักษาไม่ได้เลยว่างั้นแต่ว่าปาติโมกขสังวรศีลนี้ของผู้ใดไม่ดังพร้อยผู้นี้นั้นย่อมสา ม, มารถที่จะรักษาศีลที่เหลือ ให้ดำรงอยู่ตามปกติได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีศรีรษะไม่ขาดก็อาจรักษาชีวิตไว้ได้ฉะนั้นนะคือรักษาชีวิตได้นะหัวอยู่เนี่ยไม่แน่นะว่าแขนขาจะรักษาได้หรือเปล่าแต่ชีวิตรักษาได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าปาติโมกสังวรชื่อว่าสัมปันนะศีลาถึงพร้อมด้วยศีนี่นะคือถึงพร้อมด้วย ปาติโมขะสังวรสีนเป็นต้นนั่นเองอ่าอีกอย่างหนึ่งบทว่าสมาธายาศิคศิขะศิกขาปเดสุนี้มีความย่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไปทางกายหรือทางวาจาก็ตามทีควรศึกษาในศิขาบทคือในส่วนของศิขาบทพวกเธอจงถือเอาสิ่งนั้นทั้งหมดด้วยดีแล้วศึกษาเธอ นะศึกษ า, าบทมีเท่าไหร่ก็ตั้งใจสมาทานศึกษาเถิดของพวกเราปกติก็ควรสมาทานศึกษาศึกษาบททั้ง5้อุโบสถก็8นะันะเพิ่มเงยหน่อยนะพิเศษเอา10เลยนะรักษากรรมบท10ิบไงรักษากรรมบ ว, 10, นะรรมบวทั้ง10เลยอนะนนเอา5้าก็ได้8ก็ได้10ก็ดีเป็นทรัพย์ของเราทั้งนั้นแหละรักษาได้มากกา็มีอริยทรัพย์มากนะ สังสารวัฏก็ไม่จนเน่นะแต่ถ้าศีลเหล่านี้ไม่ดีเนี่ยโอ้ยสังสารทุกเลยทันทีเลยนะทีนี้กล่าวถึงความหวังที่หนึ่งเมื่อกี้ที่ว่าข อ, อถ้าพระภิกษุนะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหวังว่าขอเราเป็นที่รับเป็นที่ยกย่องเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพยำเกรงของเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายเนี่ยนะคำว่าเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายก็คือภิกษุด้วยกันภิกษุณีอุบาศก สั ม, มนเนธสั ม, มนเนรีหรือแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเนี่ยผะะ น, นถ้าหากว่ามีความหวังที่จะเป็นลายลักษณะนั้นก็ให้มีศีลทำศีลให้บริบูรณ์ในตรงนี้อัตกถาท่านตั้งคําถามว่าคําว่าอากังขยะเจนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มไว้เพราะเหตุอะไรที่บอกว่าถ้าพิสูจหวังว่าเนี่ยนะทำไมจะต้องตั้งไว้อย่างนี้พระองค์เริ่มอย่างนี้เพราะประโยชน์อะไร ตอบว่าเพื่อจะทรงแสดงอนิสงค์ของศีลคือก็ท่าว่าคนผู้บวชไม่นานหรือเพิ่งบวชเนี่ยนะหรือคนมีปัญญาสามปัญญาสามก็คือคนโง่นะคำว่าสามในที่นี้ก็คือไม่มีปัญญาพึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอจงบําเพ็ญศีลพวกเธอจงบําเพ็ญศีลดังนี้อะไรเนาะแลเป็นอนิสง์ สีนเมีย น, นิสงยังไงอะไรเป็นข้อแตกต่างอะไรเป็นความเจริญในการบําเพ็ญสีลดังนี้เพราะฉะนั้นเพื่อจะทรงแสดงอ น, นิสงส์สิบเจ็ประการมีความเป็นที่รักเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจันทร์เป็นต้นมีความสิ้นอาสะวะเป็นที่สุดเนี่ยนะคืออ น, นิสงส์เจ็ดอย่างเนี่ยสเจ็ดอย่างนี้นแกภิสษุผู้บวชไม่นานเป็นต้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอย่างนี้ ชื่อแม้ฉไนภิกษุทั้งหลายได้ฟังอนิสงส์ซึ่งมีความเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเพื่อนพรหมจันท ร, ร์เป็นต้นมีการสิ้นอาสวะเป็นที่สุดนั้นแล้วจักบําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์เหมือนพ่อค้าขายน้ําอ้อยงบฉะนั้นอ่างนั้นนาะพ่อค้าขายน้ําตาลอ่างั้นเนาะนะท่านก็ฉลาดเอายกพ่อค้าขายน้ําตาลนะถ้าขายอย่างอื่นมาอาจจะไม่ค่อยหวานนี่ยนน้ำตาลขายก่อนนั้น ก็บอกว่าธรรมดาว่าพ่อค้าขายน้ำอ้อยงบเนี่ยนะท่านเรียกว่าพ่อค้าน้ำอ้อยเล่ากันมาว่าพ่อค้านั้นเอาเกวียนบรรทุกน้ำอ้อยงบและน้ำตาลกรวดเป็นต้นไปแถบชายแดนแล้วโฆษณาว่าท่านทั้งหลายจงซื้อยาพิษและหนามเพราะฉะนั้นพวกท่านจงซื้อยาพิษและหนามดังนี้นะไปถึงก็โฆษณาเลยมาซื้อยาพิษซื้อหนามนะพวกชาวบ้านได้ฟังคํานั้นก็เลยคิดว่ายาพิษเป็นของร้ายแรงผู้ใดกินมันเข้าไปผู้นั้นก็ต้องตาย น้ำนี่ก็ทิ่มแทงแล้วก็ทำให้เราตายได้ของทั้งสิ่งนี้อย่างเนียเป็นของร้ายแรงจะมีอา น, นิสงส์อะไรในการซื้อดังนี้แล้วก็ปิดประตูเรือนไล่เด็กให้หนีไปนะนี่นกลัวงั้นซื้อมาทำอะไรยาพิษกับน้ำอ่ะนะพ่อค้าเห็นเหตุนั้นจึงคิดว่าชาวบ้านเหล่านี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการค้าขายเอาเถิดเราจะใช้อุบายให้ชาวบ้านเหล่านั้นซื้อดังนี้อ่นนะ อุบายเขามียังไงก็ดูทีวีทุกวันนั่นแหละที่โฆษณานั่นแหละอุบายการค้าทั้งนั้นแหละนะถ้าพอค้าทำไมก่อนเขาโฆษณาด้วยการร้องอย่างนี้ว่าท่านจงซื้อของหวานท่านจงซื้อเอาของดีนะท่านจะได้น้ำอ้อยงบน้ําตาลกรวดที่มีราคาดีนะพวกท่านจะซื้อด้วยมาสกปลอมกะหาปะนาปลอมก็ได้นะราคาก็ย่อมเยาวางานต่โฆษณาโอ้น่าซื้อไปหมดอนะ่นะงานเอาของปลอมมาซื้อก็ได้นะ แต่ได้มากได้น้อยอีกเรื่องนึนครัเรียกว่ากลไกของการค้าเงนเมันพวกชาวบ้านพอได้ฟังคำนั้นเข้าก็ร่าเริงพากันให้ราคาแม้แกงอะไงน้นไปถึงเนี่ยโ้กระเป๋ารูดหมดเลยก็รับเอาของนั้นไปผ้าดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าในคํานั้นว่าสัมปันนะสีลาภิคเววิหารถะเป็นต้นนะที่บอกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลมีปาฏิโมกขันสมบูรณ์อยู่เถิด จงเป็นผู้ความสํารวมด้วยความสํารวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายเถิดก็เหมือนกับคําโฆษณาของพ่อค้าอ้อยนั่นแหละประมาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์อยู่เถิดดังนี้พวกภิกษุก็ยอมคิดว่าเออธรรมดาว่าศีลนี่เป็นของกระด้าง เป็นค่าศึกต่อการหัวเราะโอ้ยจะไปหัวเราะกะ็กๆกมากก็่ามันก็ได้ขัดกระสีใช่ไหมและการเล่นเป็นต้นอะไรถ้าจะไปเล่นโน่นเล่นนี่เล่นไปเล่นมาไปจับผลไม้ชาวบ้านเขายังไม่เด็ดออกมาจากต้นไปจับเป็นอบัตนะมันไม่สนุกนะเพราะฉะนั้นเอ๊ะมันก็ขัดต่อการเล่นเอ๊ะมันก็ไม่ไม่สนุกนะเล่นก็ไม่ได้หัวเราะก็หมายดีแล้วศีลจะมีอ น, นิสส่งอะไรบ้างเนาะแกพิสูจผู้มีศนะีอย่างเงี้ยนะสงสัยศีลจะดียังไง ก็เหมือนกับพวกชาวบ้านมีความคิดว่ายาพิษและน้ำเป็นของหยาบจะมีอนิสงฆ์อะไรในการซื้อยาพิษเป็นต้นฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเพีงทรา ว, ว่าพระดํารัสเบื้องต้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอากังเขยยะเจดังนี้เป็นประโยชน์แก่การประกาศอ น, นิสงส์สิเจ็ประการซึ่งมีความเป็นที่รักที่ชอบใจเป็นต้นมีความสิ้นไปแห่งอาสะวะเป็นที่สุดเหมือนคําขึ้นต้นของพ่อค้านั้นว่า ท่านจงซื้อเอาของอร่อยดังนี้คำว่าขอเราจงเป็นที่รักที่ชอบใจเนี่ยนะปิโยจะอัดสังความว่าเราพึงเป็นบุคคลอันผู้อื่นพึงมองดูด้วยจักสุอันเป็นที่รักนะถ้าอยากให้ใครไม่มองด้วยความพยาบาทไม่มองด้วยความโกรธแต่มองด้วยสายตาที่เมตตาด้วยความหวังดีเนี่ยนะเขาบอกว่าอธิบายว่าเราพึงเป็นผู้ เป็นประทับฐานแห่งการบังเกิดแห่งความรักคือคือใครเห็นเราปั๊บเนี่ยนะเขาก็เกิดความรักความหวังดีเกิดขึ้นทันทีเลยนะถ้าอยากเป็นอย่างนั้นก็ให้รักษาศีลนะใครใครมองเห็นปับ๊บเขาก็หวังดีกับเราปรารถนาดีกับเราก็ขอให้มีศีลดีๆแบบนั้นมานาโปแปล ว, ว่าเราเป็นผู้เจริญใจของชนเราอื่นแบบนั้นให้คนเราอื่นเขาเห็นเราปั๊บเจริญใจเลยไม่ใช่เห็นแล้วใจฝ่อเลยนะโอ้มาอีกแล้วแบบนี้นะ อันนี้ครัแสดงว่าศีลไม่ดีแล้วถ้าเป็นอย่างงั้นอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าเราพึงเป็นผู้ต้องใจของชนเหล่านั้นคือพึงให้ชนเหล่านั้นแผ่เมตตาจิตไปคือขอให้เราเนี่ยเป็นอารมณ์ของเมตตาของคนเหล่าอื่นว่างเถถ้าคนจะเจริญเมตต า, าให้เจริญถึงเราก่อนว่าเรามีคุณสมบัติรองรับการเจริญเมตตาของเขาได้ย่างั้น ไม่ใช่ทำตัวกับโผลกับเปลกให้เขาสงสารเออเนาะชีวิตของเขาสักแต่ว่าลมหายใจเขา้าลมหายใจออกมนหาสงสารแท้อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะให้ว่าเออถ้าเขาจะเจริญเมตตาหาคนดีๆเป็นตัวอย่างก็มีเราอยู่ในนั้นด้วยนะเขาจะได้เจริญเมตตาได้เจริญง่ายๆอันนี้ก็บอกว่าเป็นความหวังอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคําว่าเราเป็นที่ตระหนักของชนเหล่านั้นเช่นเดียวกับฉัดเราพึงเป็นผู้อันชนเหล่านั้นยกย่อง อะนะว่าท่านรูปนี้เมื่อรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงเพราะฉะนั้นสีเลสวัต ส, สปริปูริการีความว่าพึงเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในจตุปาริสุทิศีนั้นแหละอธิบายว่าพึงประกอบด้วยการทำให้บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องนะไม่ดงังไม่ทะลุไม่พร้อยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายนะเป็น อารมณ์ของการเจริญเมตตาเป็นต้นนั่นเองนะยังมีข้อความต่อๆไปอีกก็มา ก, ก น, นะอา น, นิสงค์ของศีลซึ่งจะได้กล่าวในวันจันทร์ต่อไปนะ